ใหญา่าะกนัตถายาดโยมลูกหลานเป็นวันเดือนหกดับเป็นวันสิ้นเดือนเดือนหกดับควรจะโลงพ่อวันหน้าจะสมาทานศีลห้าสักหน่อยก็ดีมากวันนี้นะทาเป็นจิตจะลักษณะสักหน่อยลูกหลานเข้ามาสู่วัดวาสานาควรจะมีทําพิธีไหว้พระแล้วก็สมาทานศีล แต่ว่าการสมาทานศีลในวันนี้นะหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายสมาทานเองนะสมาทานเองคำว่าสมาทานเองนั้นคืออะไรตนะ่าว่าผู้หมวดเป็นผู้พานำอรหังสวากาโตสุปฏิปันโนจบแล้วนะแล้วก็ว่านาโมพร้อมกัน นมโมจตสสะภะคะวะโตอรหะโตสมะสัมพุทธสสะสามครั้งนมโมสามจบจากนั้นก็พุทธังทำมังสังขังสารานังขจ า, ามิโตติยัปตตนะิจากนั้นหลวงพ่อก็จะว่าสจรณาขมันนังนิติตังอากนั้นพวกเราก็สมาทานศินปาณาติปาตาอธินาธานากาเมสุพิสาจามุสาวาทาสุราเม พอจบแล้วให้พวกเราสมาทานศีลว่าอิมานิปัญจะศิกฆาประทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกฆ่าประทานิสมาทิยามิอิมานิคือว่าตัวของข้าพเจ้าอิมานิปันจะแปลว่าข้าพเจ้าจะรักษาทิฏฐาปัญจะศีลาระสัมมา คือสมาทานศิทธห้านะอีมานิปัญจะสิกฆ่าเนะี่ยสิกขาบทอนะ่เป็นสิกขาบทที่จะจะรักษาศิทธิ์สิทห้สิกขาบทอนะ่าสิกขาบทมีอยูหข้อนะอีมานิปัญจะสิกฆ่าประธานนี้สมาธิยามิข้าพเจ้าขอขอสมาทานศีลธห้าอ่าในวันนี้นะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างสมมุติว่าเรา ไม่ได้มาสู่วัดวาศาสนาเจียมวันพระเรือว่าวันอาทิตย์หรือวันเกิดของเราเรือ ว, วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันมาฆะวันมีิวิสาขะวันเข้าพรรษาออกพรรษ า, ออาเราติดธุระเรามาไม่ได้ในวันนั้นแต่เราจะรักษาศีลอยู่แต่เราจะทำยังไงเราพ่อแม่ป่วยเรามาไม่ได้เราต้องเฝ้าพ่ อ, พอแม่สมมติว่านะ แต่วันพระเราก็เข้าห้องพระแต่เช้าเลยแต่ตีสามตีสีเราก็าไปกราบพระพอกราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่าน้วานโมนโมสามจบจากนั้นก็สมาทานศีนลอะอย่างที่หลวงพ่อว่านี่นะอีมานิพอจบแล้วก็อีมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามิถ้าเรารักษาศีลแปด เราก็ว่าอิมานี่อัฏฐะแปลว่าอัฏฐะแปลว่า8นะอิมานี่อัถฐะสิกขาปทานนสมาธิยามิข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดในวันนี้นี่แหละตอนนั้นเราก็รักษาลยเถอนี่รักษาทั้งวันเลยเถอะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่แหละอันนี้คือสมาทานด้วยตนเองเพราะฉะนั้นลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาิโยมให้เข้าใจเอาไว้นะถ้าหากว่า อ, อ, อย่าง ลือสีชีภัยอย่างพระเวช ท, ทันดรในชาดกนะท่านจะให้พระที่ไหนไปไปให้ศีลท่านอยู่ในป่าโดงพงภัยท่านก็สมาทานศีลอย่างเนี้ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับคณะสัตย า, ญญาติโจมลูกหลานได้ฟังนี่แหละเอาตอนนี้ไปเอากราบไหว้พระอิบินาและกัอารหังวานามโมอัน ห, หน้าไปทางพระประธานนะคณะสัทธาธิโจมลูกหลาน อิมินาสกาเลนาอังพุทธังอภิปุชยามาอันนี้ผู้ติ่งยันติตัดสมาสีหลังวิโสทายาทูนะห้จำไว้นะคณะทธาญาติโยมลูกหลานถ้าเราไม่ได้มาวัด เราอยู่ตามลำพังแต่เราจะรักอยากจะรักษาศีลห้านให้ทำอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยะเราสมาทานศีลเองตั้งนโมตสะนโมตัะคืว่าข้าพเจ้าขอนอบนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่านโมสามจบจากนักพุทธทาง ข้าพเจ้ายึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณ ะ, ะเป็นที่พึ่งทำมังสารนังข้าพเจ้าขอยึดพระธรรมคำสอนสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณ ะ, ะเป็นที่พึ่งสงังขังข้าพเจ้ายึดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสรณ ะ, ะเป็นที่พึ่งดุติยามปีข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สองตาติยามปีข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สาม จะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งาจากนั้นหลวงพ่อก็เด้บอกว่าสรณะคมานังนิธิตังแปลว่าสารณะารณะที่พวกเรายึดถือพระไตรสรระคมสามจบเพียงเท่านีนะา้จากนั้นกับพวกเราก็กล่าวเป็นองค์ศีลปานาอธินากาเมจนถึงสุราะนะ หลวงพ่อก็ม้วนศีนว่าจากนั้นพวกเราก็าอิมานิปัญจะศกขาประทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีนห้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อกลว่าอิมานิปัญจะศีข า, ป ร, า, า, ขาประทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติว่าหลวงพ่อ หลักเอาหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรับรองรับประกันว่าศีเลนะสุขติยันติผู้ที่จะมีโภมีสุขติจะไปสู่สุขติได้เพราะศีลถ้าศีลคุ้มครองเราจะไม่ติดคุกไม่ติดตารางนะไปไม่ถลํมไปในทางที่ชั่วนะไม่เป็นที่ตำหนิติฉินคนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้มีศีล สีเลนะสุขติงยันตินีอยู่ในมนุษย์ก็มีความสุขแล้วก็ไปสู่สวรรค์ก็มีความสุขไม่ใช่สุขแต่อยู่ในสวรรค์นะมนุษย์ก็เป็นสุขถ้าเป็นผู้มีศีลคุ้มครองนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพก็สัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติได้เพราะศีลถ้าเป็นคนเป็นผู้มีศีลแล้วศีลคุ้มครองโพคะสมบัตินั้นก็ร่มเย็นเพราะ เราเสรแสวงหามาด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจหาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเราเสรแสวงมาหาหามาได้ด้วยความรู้ความเฉียวฉลาดของเราด้วยความหมันขยันของเราเคนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้คนขยันยอมหาทรัพย์ได้เราใช้ความขยันเราใช้ปัญญาของเราหาทรัพย์จังหวะ ผู้ที่จะมีโพคะสมบัติได้เพราะสินสีเลนะนิพุติงยันติถ้าหากว่าพวกเราสำรวมกายวาจาดีแล้วเราภาวนาไปเราก็จะได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลจนถึงนิพพานเพราะฉะนั้นศินไม่ใช่ของเล็กน้อยนะส่งถึงนิพพานนะคณะทายาทโยมลูกหลานนะสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติ ตัดสมาศีลังวิโสถาเย่เ น, นี่ยแหละให้พวกเราลูกหลานนะให้ศึกษาให้เรียนรู้เอาไว้อันนี้ก็คือสมาทานศินด้วยตนเองถ้าว่าเราไม่ได้มาสู่วัดถ้าว่ามาสู่วัดวาสนาครูบาอาจารย์เป็นผู้พานาสมาทานสิ น, นเราก็ว่าตามให้ครูบาอาจารย์เป็นสกีพิยายนอีกที่หนึงน่งเพราะว่าเราได้รับจากหลวงพ่อ และจักได้รับจากครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือท่านให้ศินเราเราก็รักษาสินให้ดีแต่รับสิ น, นง่ายนะอรับศิ น, นง่ายๆแต่รักษาศินนี่ยากอย่างที่หลวงพ่อพูดปลูกต้นไม้ง่ายปลูกเอาปลูกเอาแต่รักษาต้นไม้ในทั้งสองสปีเนะจึงเป็นต้นเป็นลำขึ้นม า, เ, าเป็นลูกเป็นร่างขึ้นมาได้ต้องรักษานี้ก็เหมือนกัน เรารับศีลเสร็จแล้วก็ต้องรักษาอนะรักษาศีลให้บริสุทธิ์รักษาศีล ห, ห้าจากนั้นก็มีแต่ความสุขความเจริญนะลูกหลานเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2559อาวันพุ่งนี้หลวงพ่อก็คงจะได้ไปที่ โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นเพราะจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีนะีคณะสทฆ์ญาติโยมลูกหลานถ้าผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อนะี่ก็เตรียมตัวไปร่วมกันทอดผ้าป่าสามคัคคีที่โรงพยาบาลศรีนครินแต่ว่าเขาจะย้ายที่เก่านะย้ายที่เก่าเมื่อปีที่แล้วตรงนั้นนะเขาจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เขาว่างันนะเขาจะย้ายที่อื่นเพราะนั้นไปถึง สี่นักคริณข อ, อนแก่นแล้วก็ให้ถามว่าที่เขาทอดภาพป่าสามัคคีหอสงอาพาศนั้นอยู่ที่ไหนเขาก็จะบอกชี้จุดสถานที่ให้พวกเราไม่แต่ปีนี้ย้ายจากที่ใหม่ไม่ไม่เอาที่เก่านะและ้วก็มีการทอดภาป่าเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธพาสงฆ์ทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วย ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์พันเถระมหาเถระที่ท่านเจ็บใครได้ป่วยแล้วก็มาป่วยที่โรงพยาบาลอย่างหลวงปู่บุญนานที่พวกเราได้ไปพระได้ไปประชุมเพลิงท่านเมื่อไม่นานมาเนี่ยท่านก็มาป่วยพอป่วยท่อาการหนักท่านเออกลับวัดก ล, ลับวัดเถอะไม่ไหวแล้วพอกลับไปถึงวัดถึงวัดแล้วยังถึงแล้วท่านก็นวางขัน ท่านกมรณะภาพไปนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงปู่บุญนาสรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์หลายหลายองค์ที่ปูกเจ็บไข้ในป่วยสิทธิ์ยาดิสิตทั้งหลายไดเอานำมาให้มารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินแต่นายแพทย์พยาบาลก็เป็นคนมีศีลมีธรรมอีกต่างหากรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านก็ดูแลพระสงฆ์อย่างดีหลวงพ่อเห็นก็ปลื้มใจเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้การสนับสนุนสร้างเสร็จแล้วนะตึกชั้นที่10 ส, สมเด็จตึกสมเด็จญาชั้นที่10นะเสร็จแล้วหลวงพ่ อ, อยังให้การสนับสนุนมาตลอดเกือบเป็น10ปีแล้วนะคณาสัทายาญาติโยมแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยเข้าไปนอนหรอก ไม่เคยเข้าไปนอนแม้แต่ครั้งเดียวไปนอนเจ็บไข้ได้ป่วยนะไปตรวจสุขภาพเออมีอยู่แต่ถึงยังไงหลวงพ่อทำขึ้นมาแล้วก่อ น, นเพื่อจะให้ดูแลพระสงฆ์สัมาเนรที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีความจำเป็นที่จะรักษาเพราะนั้นวันพุ่งนี้เนอะคณะสัทธาญาติโยมพระเนนลูกหลานวัดต่างๆที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อน่กไปพร้อมๆกัน ทอดป้าป่าสามัคคีหาทุนให้กับโรงพยาบาลศรีนครินตั้งชื่อว่าหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อดูแลสงอาพาธาทุกภาคาทุกที่ว่าเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแล้วก็ดูแลทุกภาคาทุกองค์ แต่จะมากน้อยแค่ไหนกองทุนของเราอย่างน้อยอยู่ เ, เราจะให้แบกกองทุนของเราแบกกับทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นดุลยพินิษของคณะผู้บริหารกับคณะแพทย์พยาบาลจะรักษามากน้อยแค่ไหนหลวงพ่ อ, อ, อ็มอบให้ท่านเป็นดุลยพินิษของท่านเาพราะกองทุนของเราเนี่เหมือนกับเด็กนะเ่เด็ก แต่ปี2ปีใจให้แบกท่อนเหล็กท่อนแบกปูนซีเมนต์เป็นกระสอบได้หรอแบกไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวยังเด็กโย่แต่ถ้าว่าเราช่วยช่วยกันเน่ยเงินออกมาช่วยช่วยกันถ้าเราเป็นเป็นพัน 1, ล้านหมื่นล้านแล้วก็ไม่ว่ากันมาในทิศทั้งสีรักษามดาพระเนรเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะกําลังเราพอแล้วนะดอกผลเราพอที่จะเลี้ย ง, ยงดูพระเนตรเราได้ แต่เราเดี๋ยวนี้เรามันยังเป็น baby เบบี้อยู่เราก็ไม่ได้หาทุนจากใครอื่นเราก็หาทุนจากคณะสงฆ์คณะวัดต่างๆคณะสาัายาิโยมผู้มีจิตศรัทธาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพระสงฆ์ดูแลพระสงฆ์อาพาธ เ, เราก็ได้รวบรวมจิตุ ป, ปัจจัยแต่ละปีนี่ก็ออจุบวิดจุวางบางปีก็ได้กำไรเก็บไว้น้อยนึง แต่บางปีเออเก็บไว้มากน้อยนี่แหละแต่ถึงยังไงก็ตามอย่างน้อยอยู่อย่างปีที่แล้วน่าจะได้ประมาณหล้านมั้งผ้าป่าป่าหล้านแต่ใช้ไปประมาณ4ล้านเกือบสมเกือบสี่ล้านปีก่อนน่นนะได้เพียงสมหรือสี่ล้านใช้ไปสมล้านกว่าลักษณะอย่างงั้นอ่ะแค่แค่ว่า บ, บางปีก็จุบิดจุวางแต่ถึงยังไงก็ตาม ถ้าพวกเรามองเห็นคุณค่าที่จะดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระพระผู้ใหญ่ตลอดภิกษุสา ม, มเณรแล้วก็ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมื อ, อ, ค, ม ค, มอควรจะมีนะควรจะดูแลทําบุญกับพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดดูแลพระภิกษุไข้อุปธรรมปฐากพระภิกษุไข้ เหมือนดูแลตถาคต เ, เหมือนกับอุปถรัรมภะถาตถาคตพระพุทธพระพุทธเจ้าตรัสแล้วไม่เคยไม่เคยว่าผิดเพี้ยนหนึ่งไม่มีสองเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในพระพุทธศาสนานเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดตรัสคํานี้อคงจะเป็นคําจริง เ, เพราะว่าผู้ใดดูแลปณิบัติพระภิกษุไข ก็เหมือนได้ปนีนบัตรพระพุทธทเจ้านะพระนักขให้พวกเราทุกทุกท่านเนอะวันพรุ่งนี้ถอดผ้าป่าสามัคคีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวและก็พร้อมกันช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤษภาฝนกำลังลงนะลูกหลานนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็เคยพูดมาเกือบทุกปีแต่ปีนี้ก็อยากจะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพวกเราโดยมากมองๆแล้วก็เป็นเกษตรกรรม อยู่ตามชนบทถึงอยู่ในเมืองก็เถอะนะถ้าที่ตรงไหนพอมันว่างๆพอเป็นไปได้ก็น่าจะปลูกพวกตะไคร้พวกคาพวกเพล็กในไว้ในบ้านก็ดีเหมือนกันนะถ้าตรงไหนมันว่างมาก ก, ก็ปลูกละกอที่พวกเรากินตำสมละกอดีกว่าที่จะไปซื้อจากเขาการปลูก ง, ง่ายๆว่เห็นจะยากที่ตรงไหนตะไคร้ก็เหมือนกันเอาไปแล้วก็จิ้มจิ้มลงดิน ที่มันว่างๆจากนั้นเวลาเราจะทํากับข้าวกําแกงแกงเห็ดนั่นแหละเราก็เอามาใช้ได้เอามากินในบ้านของเราไม่จําเป็นต้องซื้ออไม่ต้องขอคนอื่นเขาออถ้าเราขี้เกียจปลูกไปเห็นของเขาแล้วไปขอของเขานะ่ะเอเขาบางคนเขากห่วงของเขาใช่ไหมเราก็ไปขอของเขาถ้าเขาไม่ให้เขาทําท่าไม่สบายใจ เขาไม่ให้ตัวเองกขาบอกเขาขี้ทีเนี่มันกี่ทีเนาะแต่ว่าตัวเองขี้เกียจไม่หว่านะตัวเองเนี่ยทำไมไม่รู้จักปลูกกินเลยขี้เกียจนะไม่เห็นว่าเนะนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะหลวงพ่อจะบอกให้กับคณะศรัทธาลูกหลานทุกคนนะควรจะปลูกฝังพ่อแม่นะเป็นตัวอย่างให้ลูกทั้งหลายปลูกพวกตะไคร่พวกค้าพวกออะไรขึ้นมาในบ้าน ถ้าที่บ้านมันว่างๆครัมันว่างอยู่ทําไมปลูกพวกผลลมากรากไม้ขึ้นมาที่ไหนที่มันเหมาะเหมาะกับดินกับเหมาะกับพื้นที่งั้ น, นใช้ช่วยๆกันปลูกเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลูกช่วงฝังแล้วนะไม่ใช่แต่ชาวบ้านนะหลวงพ่อก็เน้นหนักเรื่องพระในวัดของหลวงพ่อบางองค์นี่ยขี้เกียจลังยาวนะพระในวัดของเราเนี่ยไม่ ไม่ดูดูเลยเห็นหมู่พวกเพื่อนปลูกต umm ้นไม้เลยเฉยเออมีนะภายในวัดของเราเนี่ยเราหลวงพ่อว่านี่ยต่อไปภายภาคหน้าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ยงพวกที่จะเป็นหัวหน้าต่อไปภายภาคหน้าน่ะพวกขี้เกียจลังยาวพอออกจากวัดหลวงพ่อแล้วทําทอะไรก็ไม่เป็นทีนี้งูกงกางงักกักเ ง, ง, ง, ง, ง, งินเงินในเมื่อเขาทํางานไม่ช่วยกันไม่ช่วยไปดูท่านทานํางานยังไงวางแผนยังไง เชื่อมเหล็กยังไงการที่จะวางแผนงานทำยังไงไม่ไม่ได้สนใจในเมื่อไปเป็นสมพานอะไระเนีเ่ทำอะไรก็ไม่เป็นคิดเห็นแต่หลวงพ่อเนละมายกมือไหว้หลวงพ่อวันโอ้ยหลวงพ่อผมอยากจะส่องสาราผมอยากจะได้กุฏิ เ, <อ>เ<อ>พื่ออะไรเพาะ ในเมื่อมาศึกษามาอยู่อ่อมันไม่ใช่เป็นเท่านั้นมันมีอีกมากที่เราจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเอา่อเพราะฉะนั้นพระเนรทุกองนะจะอยู่เด่นๆด่นด้านๆไม่ได้นะปลูกต้นไม้ก็คือวิชาหนึ่งอ่ที่หลวพ่อเราจะปลูกอ่จะประสานยังไงจะติดต่อกับชาวบ้านจะพูดกับชาวบ้านว่ายังไงในการที่จะปลูกต้นไม้เอ่ที่เราจะ ลายยาออกจากต้นไม้เนี่ยเราจะใช้เทคนิคอย่างไงที่จะพูดกับชาวบ้านให้เขามีศรัทธาให้เขามาช่วยช่วยงานได้เสียงเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่สติปัญญาทั้งหมดนะถ้าว่าพระโง่มันทําอะไรไม่ได้สักอย่างนะคณะทศท า, าญาติโยมคาว่าโง่คํานี้นะใครๆมาอยากจะได้ยินองค์นั้นโง่องค์นี้โ ง, ง่โงก็เสียอกเสียใจยไปอีกแล้วแต่มันโง่จริงๆจะทํำยังไง ดูดูแล้วมันก็งักไงตอนนั้นให้พวกเรานะผู้เข้ามาศึกษาจากหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยอยู่ที่ภูเจ้าก็ออเหมือนกันละกอนี่รอบเลยล่ะปลูกมดเป็นสัมมาร์เดนนะแต่เรื่องดายาเทานั้นนะให้คนอื่นมนาได้ยาให้เรื่องปลูกหลวงพ่อปลูกมดตรงไหนควรปลูกดินแปลงไหนมันยงจะไงะปลูกขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงวัง วางผังไปนะคิดไว้เลยนะเวลามันขึ้นมาแล้วไม่เด็เอตน้นต้นไม้ต้นอื่นจะครอบงาบ ม, มันไหมเนี่ยอมันจะออกไปยังไงมันจะออกลูกไหมเนี่ยดินดีไหมเนี่ยดินมันพอไหมเนี่ยวางไว้หมดเลย น, ะนั่นแนหะละหลวงพ่อเนี่ยเป็นสัมมาณีหลวงพ่อคิดเนะี่ยหลวงพ่อเป็นเกษตรกรรมต่อมาก็มาอยู่ที่บ้านตากหลวงพ่อก็ปลูกต้นไม้อีกอแต่ว่ายอมรับว่าท่านอาจารย์ยูนนะ อาจารย์ยูนะโอ้พันคันเป็นคนจังหวัดจันทร์่านขยันจริ ง, รงๆเเราเป็นลูกน้องท่านเราได้เรียนจากท่านตั้งเยอะแยะในการปลูกฝังอนี่แหละวิ ช, ชาในโลกนะี่มันมีมากมายถ้าเราเรียนเข้าไปแล้วคนขี้เกียจแค่อย่างเดียวเท่านั้นน่ะมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าขยันนะคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนขยันอคนมีปัญญาหะ คนมีปัญญาหาทรัพย์ได้คนขยันหาทรัพย์ได้เพราะนั้นให้พวกเรานะหาทรรมก็ได้หาอะไรก็ได้ถ้าคนถ้าคนมีปัญญ า, าถ้าคนขยันนะหาความชั่วก็ได้มากเหมือนกันนะจะวางแผนยังไงคนมีปัญญาวางแผนจะพ้นจะฆ่าใครก็ได้เพราะอะไรเพราะมีปัญญานะขยันอีกต่างหาก น, ะนี่นแหละแปลว่าสรุปแล้วก็คือปัญญาคำนี้นะ่ะ คนขยันคำนี้นะได้ทั้งทั้งดีได้ทั้งชั่วนะมันได้ทั้งสองอย่างถ้าขยันไปทางชั่วขี้เกียจอะไรก็นนะั่นใช้ปัญญาหลบเลี่ยงอะไรก็ไม่ใช่มันได้ความชั่วั้งมากมายมหาศาลเหมือนกันถ้าว่าใช้ไปในทางที่ดีก็ได้ประโยชน์มหาศาลเหมือนกันเพราะนั้นเราจะใช้ไปทางไหนความขยันกับปัญญาตัวนีนะใ้ใช้ไปในทางที่ถูกต้อง ถ้าเป็นปัญญาก็าให้เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิถ้าขยันมีความเพียรก็ให้เพียรแบบสัมมาทิฏฐินะอย่าไปเบียนเพียรแบบมิจฉาทิฏฐิใช้ปัญญาแบบมิจฉาทิฏฐิไม่ดีไม่ถูกนะลูกหลานคณะจตนาญ า, ยาโยมเอาวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอาต่อเนื่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร